ซีดีธรรมบัญญายจุดฟันทีไรได้สุดที่โดยพระพรหมคุณาภรณ์อบิลโตวัทยาโนเบสกรลต์ตำบลบางระทึกอำเภอสามราษฎร์จังหวัดนครปฐมเรื่องที่5ถ้าอยากมีความสุขจริงให้สนใจก็มารู้จักความสุขกันไว้ให้เจนจบตอนที่สองบัญญย ร, รยายเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2538ันร้อามสิบแต่มาเคยถามที่ประชุมขอถามว่าคนเราเนี่ยว่าจะช่วยตัวเองได้นี่กีป่ปีเกิดมา่กี่ปีมีอาจารย์ท่านหนึ่งตอบว่าว30มสิบปี ถึง้เลยอนะที่ประชุมที่จาเท่าไหร่กี่ปีะชเดวเได้อยู่รอดเตโคบาเลยพอนึกได้ ไ, ไหมไม่ได้ยังไม่ไหวนะมนุษย์ยากทีนี้มนุษย์นี่นะเป็นอนสรณ์ธรรชาตช่วยเงไม่ได้แล้วทาไงในระหว่างที่โตมาป่าจะช่วยตัวเองได้สักสปีสปเนี่ยทุกอย่างต้องเรียนรู้ต้องฝึกหมดเลยนะใช่ไหเรียนรู้พ่อแม่สอนให้กินก็ต้องสอนขับทายก็ต้องฝึกนอ น, นี่ต้องฝึกเลย น, น, นั่งก็ต้องฝึกเดินก็ต้องฝึกพูดก็ต้องฝึกเรื่องที่มนุษย์มีชีวิตอยู่ต้องอาศัยการฝึกหมดเลย นนพวุนกจจับมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องสุดแต่ทีนี้ข้อที่ต้องสุดเนี่ยเป็นข้อด้อยของมนุษย์แต่กลับเป็นข้อดีของมนุษย์เพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในสัญชาตญาณได้ชวได้ทันทีนั่เกิดมาในสัญชาตญาณยงไรตายสัญชาตญาณอย่างนั้นดูแค่นั้นแต่เกิดจนตายก็สัญชาตญาณมันงตายไปอย่างนั้นแต่มนุษย์มันไม่อย่างนั้นพอเริ่มสุแล้วคราวนี้มีที่สสเลย สุดไปไปท่านก็เลยให้ตัวอย่างว่าคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยอดของบุคคลที่ได้สุกแล้วใช่ไหมแล้วฝึแล้วดีแล้วเป็นทั่งพระพุทธเจ้าก็ได้ก็เลยวางเป็นแบบว่าให้เป็นตัวอย่างสำหรับเ ร, รเาเรต้องฝึกตัวน้นเราจะมีชีวิตดีไปเสด็ได้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องคอยกระตุ้นรัใจพวกเราอยาู่เสมอบอกว่าในหมู่มนุษนั้นผู้ที่เสด็คือผู้ที่กแล้วนะรในหมู่เทวดาและถวยเทพผู้ที่ฝึกแล้วนี่เสดสุดนะแล้วก็มนุษย์ได้ฝึกแล้วแม้แต่เทวดาและพระพรหมก็น้องน้ำม มนุษย์นั้นตรงข้ามกับสตทั้งหลายอื่นตอน่หลายอื่นบอกว่าเกิดมาได้สนทายอย่างไรก็ตายไปดสนิทใจเีย่างนันแต่คติของมนุษย์นั้นบอกสุดอย่างไรได้อย่างนั้นใช่ไหเี่เพราะนั้นมนุษย์ฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นฝึกแค่เถิดทีนี้มนุษย์นั้นทั้งที่ชีวิตต้องสุดเนี่ยแต่ว่าไม่เอามาใช้ไปอยู่ฝึกท่าทีจเป็นพออยู่ได้แล้วดุดฝึกแล้วฝโดยไม่ตั้งใจฝึกพ่อความจำเป็นอย่างที่ว่าฝึกกินฝึกนอนฝึกเดินฝึกพูด นันเรียฝึกกนว่ามันเป็นฝึกแบบจเป็นตามไม่รู้ตัวนเรียกว่าเอาความเคยชินเขาาตามพ่อตามแม่ตามผู้อื่นเ้นตัวออยา่างไรก็ทไปนันมนุษย์เนี่ยแปลว่าชีวิตโดยสภาพธรรมชาติอยู่ในการสุกนะแต่ว่ามนุษย์เนี่ยไม่ใช้ประโยชน์จากหลักการนี้กลับฝึกเท่าที่จาเป็นพออยู่ได้แล้วเลิกสึกนี่มนุษย์ที่รู้หลักการนี้รู้ธรรมชาติของตัวเองดำเนินชีวิตในสอดคล้องความจริงกธรรมชาติว่าเราเนี่นยมีสัดส่วนเสริมในการฝเพราะฉะนั้นาเราฝึกต่อไปชีวิตเราจะยิ่งดีงามก็ฝึกต่อ เรามองสถานการณ์ทุกอย่างเป็นสถานการณ์สำหรับการเรียนรู้และฝึกตนหมดเลยอ้าวมนุษย์เราพัฒนาได้จากการเผชิญปัญหาเช่นนี้เป็นตน้นเจอปัญหาปัา๊กอย่าไปยอดท้อสิคิดหาทางที่จะแก้ปัญหาทางไหจะบปัญหาให้สเร็จได้ทีนี้ก็พูดถึงว่ามนุษย์มีชีวิตที่อยู่ได้ดีด้วยการฝึกยินฝึกก็ยงมีชีวิตที่ดีงามขึ้นไปเราก็ส น, นักไนความจริงนันนี้ใช่ไหมเราก็สร้างสิ่งที่ได้บันจิตสรุปในการฝึกตนขึ้นมาเลยมองสถานการณ์อะไรเจออะไรมองเป็นเรื่องฝึกตัวหมดเลย น, นั่น เราก็หาทางคิดเราก็พยายามสื่อสารหาเหตุปจัจจัยคิดช่องทางค้นคว้าอะไรต่มแก้ปัญหาจา ก, การคิดคนพยายามแก้ปัญหาเราก็พัฒนาตัวเองเราก็เก่งขึ้นนี้ทุกคนที่เขาประสบความสาเร็จเนี่ยเขาประสบความสาเร็จมาจากการที่พยายามเผชิญปัญหาเผชิญอุปสรรคแล้วแก้ไขพยายามพัฒนาตัวในวสิงลนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดูเขาจะประสบความสาเร็จนี้คนที่เคยพัฒนาตัวอย่างนี้ต่อมาวันที่ถอิมันเกิดจิตส่านหงการศึกษาและพัฒนาตนชอบฝึกตนพอเจอสิ่งที่ยากเราชอบเนเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ยากนี่ทาให้ตัวได้ฝึกมากนะขะอะไรถ้า คนที่เป็นนักสุตัวไม่เห็นคุณค่าลุกสีที่ง่ายตรงข้ามกับคนที่ไม่มีจิตสํานึกในการสุตนให้เจอง่ายๆแต่ชอบเนาเจออะไรยากเราก็ท้อเลยถอยไม่สู้เนี่ยพอเรามีจิตสํานึกการสุดตนเราชอบสิ่งยากพอเจอสิ่งยากเราเอาเจอสิ่งยากเราปลับชอบใจมีความสุขนี่ได้แล้วจิตใจสบายมีความสุขพอเจอทินต์ก็ตั้งใจทําสิเพราะเต็มใจเต็มใจก็ตั้งใจทําตั้งใจทํามันก็งได้ผลใหญ่เลยนั่นาก็พัฒนาตัวเองนี่คนที่ไม่มีจิตสํานึกในการฝึกเป็ยังไงมันไม่อยากจะท ก็เลยใ จ, จยตัวเองก็ไม่สบายงานนั้นก็ไม่ผลดีตรงข้ามกับคนที่มีจมมิตสำนึกในการฝึกตนเนี่ยทั้งใจก็เป็นสุขทั้งงานก็ได้ผลด้วยพัฒนาตัวเองขึ้นไปนี่พอลพัฒนาคนอย่างนี้ดีขึ้นเรามีจมมิตสำนึกในการฝึกตมมนเป็นคนที่แข็งแกร่งเนี่ยคราวนี้เป็นคนที่สู้สิ่งยากพรเป็นคนสู้สิ่งยากแล้วเจออะไรมันก็มีความสุขไปได้หมดแหละก็ แ, แ, แม้แต่สิ่งยากมันยังสุขได้หรือความิ่ง่ายมันจะไม่สุขเลยไหใช่ไหมมันเป็นธรรมดานั่นเขาเลยได้รวยทุกเลยทุ่มจ้าง แลอยู่ในสงังคมประเภทอย่างนี้มีวัตถุรพร้อมมสบายเลยขึ้นแต่วัตถุน้อยตัวเองมีอิสระภาพถ้ามีวัตถุมาจริงสบายมีความสุเต็มเปี่ยมตรงท่านเปคนที่ไม่มีจิตสำนึกในการตฤดตนเห็นแป่ง่ายเห็นเป็นความสะดวกสบายอ่อนแอใจสอบหล่อ บ, บางให้สิ่งที่บำรุงบำเอรพร้อมก็เป็นแค่ปกติได้เพิ่มมาหน่อยก็สดเดียวขาดไปนิดไม่ห ย, ยดใจนทุกแล้วหันไปเจออะไรต้องททุกท้นนคนประเภท น, นี้ทุกเต็มที่ไปหมดเลยนั้นแล้วทำไมจะไม่ฆ่าตัวตา ย, ยใช่งั้นพอขาแค่้นี่เกิดใจหดหูท้อถอย่าตัวตาย นั้นน e m, are, air, right? so ี่มเป็นธรรมชาติของสังคมธรรมชาติสิ่แวดล้อมที่มนุษย์ถ้าไม่พัฒนาตัวให้ดีเราก็เสียหลักแล้วปไปตามผิดประใจก็กลายเป็นคนอ่อนแอตามใช่ไหมจริ่วัตถุพังพร้อมคนต้ยิ่งอ่อนแอลงนั่นในสภาพอย่างนี้เราต้องรู้เทาทันวัตถุคลังพร้อมขึ้นปักเราพัฒนาคนให้แข็ง่งขึ้นเรพัฒนาคนยิแข็งคนยิ่แข็งนั่นก็มาสวยสู้จะวัตถุครังพร้อมเต็มที่แต่นี่เขาเรียกว่าพัฒนาศูนยทางกันพัฒนาวัตถุให้คลังพร้อมแต่พัฒนาคนให้แข็งยิ่งข ดันีรอมก็เป็นปกติของเขาไม่ได้เป็นสุพิเศษเลยนั้นก็เลยน่ากลัวนั่นนี่แหละอามาดูตัวยอย่างที่ว่าเนี่ยสังคมที่ว่ามาทพนพร้อมแล้วทำไมเด็กหนุ่มสาวถ้าตตายมากเนี่ยมันก็เป็นอย่างเนี้ยนั้นตบลงว่านี่คือธรรมชาติมนุษย์เอามาใช้เป็นประโยชน์ซะสืบสันนิษฐาสร้างกิจ ส, ส่วนราชการสืบสันนาพัฒนาตัวแล้วเด็กสู้สิ่งยากเข้มแข็งไม่ใต่สอบปลอบวางเป็นผู้สา ม, มารถสวความสุขมีภูมิคุ้มกัุอย่างสูงแล้วก็มีศักยภาพจิตใจ การพัฒนาความสุขในการที่ว่าดันเนชีดให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติใช่เอาธรรมชาติมันใช้ใเป็นประโยชน์ถ้ามนุษย์หลงสมวัตถเสียหลักทันทีแล้วระทุกจะตามมาเอาและสาม้ทีนี้ต่อไปสุขภเพที่สีสุขภเพที่ี่ก็มาจะธรรมชาติมนุษย์ธรรมชาติมนุษย์เป็นยังไงก็ตางกับสัตว์ทั้งหลายเราอื่นสัตว์ทั้งหลายอื่นนั้นประดิษฐ์ผิดคนสร้างสรรค์ไม่เติมบอกแล้วว่เกิดมากระายไปอย่างนั้นสัตว์ทั้งหลายก็อยู่บนธรรมชาตินไม่ได้สร้างสรรค์อะไร ทำไปทำมาเกิดมีอารยธรรมวัฒนธรรมใช่ไหอารยธรรมวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีนสัต์ทั้งหลายมีธรรมวัตถุมีทางระบบสังคมต่างๆกระทเกิดเป็นโลกมนุษย์และโลกมนุษย์นี้ต่างจากโลกของธรรมชาติมนุษย์สร้างโลกมนุษย์ขึ้นมากลายเป็นอีกโลกหนึ่งจนกระทั่งบางทีแปลกแยกจากโลกธรรมชาติที่ความมันกีกก็มนุษย์ก็มีกฎธรรมชาติ่มีแยกกันไปหมดเลยมนุษย์พระหลกสมมติแปลกแยกจากโลกธรรมชาติมีชีวิตแต่ละวันไม่เคยรู้จักโลกธรรมชาติเลยบางคนนี้อยู่ในกรุงเทพนะออกจากบ้านตื่นเช้าไป อเขาอยู่ในโลกมนุษย์อย่างเดียวโลกธรรมชาตินี่หายไปแล้วเขาแตกแยกจากโลกงธรรมชาติมลอยู่กับโลกของมนุษย์อย่างเดียวนี่ก็คือเรื่องของาวิตแต่ว่ามันเป็นความสามารถของมนุษย์ที่เป็นนักประดิษฐ์สร้างสรรค์รุงแต่งมนุษย์ได้ใช้ความสามารถนี้มาสร้างทีนี้ในนส่วน้ามันสร้างเพื่ออะไรมันสร้างเพื่อจะเอามาเส็เพื่อให้ความสุวที่ได้จากประเททหนึ่งได้เกิดขึ้นแล้วมันก็เลยไม่พัฒนานี่เอาเป็นว่ามนุษย์มีความสามารถพิเศษในการสร้างอื่นก็คือมีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นปรุงแต่งอง ตอนที่ออกมาเป็นวัตถุรุปแต่งในใจนีรุปแต่งความคิดรุงแต่งสภาพจิตรุปแต่งความทุกข์ความสุขของตัวเองในการรุปแต่งทุกข์สุขนัากว่ามนุษย์จำนวนมากเนี่ยไม่พัฒนาก็เลยรุปแต่งแต่ความทุกข์ให้กับตนเองนีขอถามว่ามนุษย์เราใช้ศักยภาพความสามารถในการสร้างสรรค์รุปแต่งส่นมากเนี่ยในการสร้างสุขหรือสร้างทุกข์ให้กับตนมนุษย์ส่วนใหญ่จะเห็นว่าใช้สร้างทุกข์มากกว่าเชื่อไหมคือเราไปหวังสุขจะตเสกวัตถุแต่ในใจตัวเองที่มีความสามารถรูปแต่งสุขเนี่ยมาใช้ แล้วเวลาลึกในคามทรงจำระลึกระลึก เ, เรื่องไม่ดีลึกๆทไม่สบายใจเอามาปรุงแต่งใจให้คุณมัวเสาะมองกลุ่มกงมังวลเพียนะความปรุมความกังวลความเพียรนี่เป็นตัวอย่างของความส า, า, ม, สามารถปรุงแต่งของมนุษย์ใช่เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายอื่นเนี่ยทำไม่ค่อยได้สัตว์อื่นนี่ปรุงแต่งความเรียดปรุงแต่งความกลุ่มกังวลไม่เป็นปรุงแต่งความรู้สึ ก, กนกระทั่งว่าเป็นโรคจิตสัตว์หลายอื่นนี่ปรุงแต่งไม่เป็นแต่มนุษย์ไดปรุงแต่งได้จนกระทั่งเป็นโรคจิตเป็นบ้าไปเลยนี่ก็เป็นอันว่ามนุษย์ที่มีความสามารถในการปร นี้ทำยังไงเราก็รู้ตัวแล้วก็เปลี่ยน rồi? เราก็ใช้ความสามารถในการปรุงแต่งว่าปรุงแต่งสุขสิทธิ์นี่นี่แหละพระพุทธศาสนาสอนตรงนี้ว่าถ้ามีคาสามารถอยู่แล้วในการปรุงแต่งและสัสรระดิ่ก็เอามาใช้ในทางที่ดีซึ่งมาสร้างปรุงแต่งสุขก็เลยให้ปรุงแต่งสุขวิธีปรุงแต่งสุขนั้นก็เช่นวิธีจเจริญสมาธิต่างอั น, นวิธีสมถะทั้งหมดคือวิธีปรุงแต่งนยทั้งหมดเลยวิธีสมถะเนี่ยเป็นวิธีปรุงแต่งปรุงแต่งใจเขาเราให้สงบปรุงแต่งใจเขาเราให้เบิกบานปรุงแต่งใจเขาเราให้หอมใส่ปรุงแต อ้าวถ้าเราเปที่อะไรว่นาจิตใจไม่สบายท่านก็บอกอ้าวหายใจไปลมให้ใจอย่างนี้ด็ดเดเนอเอาจิตมาอยู่กับลมให้ใจสติมาปุงแงจิตซะเกิดสมาธินี่เป็นีจิตุแต่งแงใจก็ใจอยู่กับลมให้ใจให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรู้ใจไม่ไปไหนก็หายพ้นไปจากสิ่งบกวนใจก็สบายนท่านมีวิธีครับปุ้งแตงไปพร้อมกันนั้นเลาให้ใจแล้วทาใจไปด้วยมาจะบอกให้สักอย่างกวนี้นะนที่เราใช้ดีให้ใจเนเป็นวิธีปรุงแตงจิตแล้วทำจิตให้สงบเป็นสมาธิมันก็ด หายใจเข้ายาวก <c ann els> <cal> ็รู้หายใจเข้ายาวหายใจสั้นก็รู้หายใจาสั้นหายใจออกยาวหายใจออกสั้นก็รู้ตามนั้นกรู้ตาที่เป็นอย่างนนีอาจารย์รุ่นหลังก็มาเติมาเออเพื่อจะให้ได้ผลีขึ้นเอาคำก็ตตัดนะเวลาหายใจเข้าก็นับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองเาจะได้กังตัดชัดยิ่งขึ้นบางท่านก็มาเติมเอภว่าพุทธโธเดี๋ยวนี้เราไปใช้เสียจะไหนทีนี้ก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหายใจตังตัดจิตไปด้วยบางสํานักก็เอาอื่นหายใจเข้ากับยุ <c oughs> ค, คือมีแค่นิดเดียวดังเวลาเราหายใจเข้าออกเราก็โอกาสปรกงแต่งิตได้เลยทรุงแต่งซ้อนเพิ่มอีกทั้นนึงนะเวลาหายใจเข้าก็ทาจิตให้เบิกบานหายใจออกก็ทาจิตให้เบิกบา น, อ, อ, กกยบานอย่างในอานาปนสติที่พระพุทธเจ้ากำหไว้เอาพิปโมที่ดังจิตตังอสสามีจิติทธิพิปโมที่ทังจิตตังอสสสามีจิติทธิแล้วกใจว่าเราหายใจเข้าก็ทใจให้เื่อเบิกบานหายใจออกก็ทาใจเรเื่อเบิกบานนี่เราก็มปรุงแต่งเป็นทอดทำโยมลองไปทายดูนะอาจจะเป็นประโยชน์เวลาเราว่างเราไม่มีอะไรจะทำรถติดหร ทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้าว่าในใจด้นะหรือหายใจเข้าพร้อมกันก็ว่าทํานี้แล้วก็ทำใจให้เป็นอย่างนั้นใจของเราเนี่ยมันอยู่ที่รอบปรุงแต่งทาจิตให้เบิกบานหายใจเข้าแล้วทีนี้หายใจออกทําใจให้โล่งเบาหายใจออกะลองดูสิทาให้มันเป็นไปตามคาที่เราพูดเนี่ยสบายใจเลยนะลองดูสิลองได้ไหมทําจิตให้เบิกบานหายใจเข้าเชิญหายใจเข้าทําจิตให้เบิกบานหายใจเข้าทําใจให้โล่งเบาหายใจออกหายใจออกก็ทำใจให้เป็นไปตามคำที่ว่านั้นด้วยนะทำอย่างนี้แหละใจก็สบายนะปรุงแต่งก็เรียกว่าอาจจะใชปรุงแต่งจิต จิตบกบานให้ใจเข้าใจร่บาให้ใจออกจิตเบบานให้ใจเข้าจิตร่มบเาให้ใจออกอ น, นีอาจจะใช้แบบว่าหายใจเข้าสูดเอาความสดชื่นเนะี่ยหายใจออกฟอกจิตให้สดใสันน <laughs> ลองดู ก, ก็ได้นะหายใจเข้าสูดเอาความสดชื่นนะีนท่ทีเราหายใจ ยูไม่ได้เรื่องยให้ใจเข้าสูตรเอาแต่ความคุณหมองใช่ีเราให้ใจเข้าสูตเอาความสดชื่นให้ใจออกฟอกิให้สดใสแล้วทใจให้เป็นไปตามนั้นสบายใจและใจไม่ต้องไปรุเรเรื่องอะไรก็มีความสุขอย่างหนึ่งนนี้เป็นทีมเทคนิคปลีกด้วยเอามาใช้ซะแล้วพระเจ้าเน้นในสภาพจิตของคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีอยู่5อย่างที่คุณทำไม่ได้เสมอเนี่ยมาก็มาบอกคุด้วยพยายามทใจให้มีคุณสมบัติห้อย่างเนี้ยว่าใจของเราเนี่ยเราเคยชินปกร่องเราเาแต่งแต่งในทางตงวลไม่สบายใจคุณมัมน เลยไม่เป็นธรรมดาของเราไปเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ใหม่เ ต, ต้องใช้เวลาเนี่ยนะสุดใค้ไมเป็นธรรมดาในทางที่ดีซะจนกระท่จิตของเราเนี่ยเป็นนิสัยที่จะเคยสบายในความร่เริงเกบานความสุขถ้าน้าให้ไว้5ข้อ1งปาโมดแต parsley, hmm. ่ความร่เรงบิบานใจร่าเรงเืิบันช้ำใจร่เรงเบิบนอยู่เสมอนี่นคาถาธรรมบทอันหนึ่งบอกว่าปลาโมดท่าพโลภิภูมิโสริภานัสเสวะสันติเกอกิสูภมาเปปาโมือความรารงเบิบานใจชื่อว่าดูในสำนักพระนิพพานว่ากันเลยอยู่ใกล้พระนิพพานแล้ าอินมใจปรับรืม้มใจทางานอะไรก็ทาและความรักงานตั้งใจทำงานงานดล้าไปสวสุขผลงานนั้นมีปิติอินใจที่งานก้า ป, ป, ประสุคัปิติร้ับสติปัสสติแป่าความสงบเย็นทอนคลา ย, ายใจไม่เครียดอันนี้แหละไม่เครดัสสติต่อไปก็สุขสุขก็คือสภาพใจที่โร่งร่งคล่องไม่ติดขัดตรงข้ามทุกทุกแาบดิษฐานติ ด, ดขัดขคลองใจที่เป็นสุขก็ไม่มีอะไรมาบีบมาทันมาติดขัดกร่งโ่งเบาสบายสุขแล้วก็สมาธิก็จิตสงบแน่วไม่ถูกอะไรรบกวนไม่มีอะไรมารบกวนได้ใจต้องการอยู่เรื่องอะไรก็อยู่เรื่อง มีมมกวได้คนที่เป็นใจไม่มีอะไรมากวนได้เป็นแสงสบายนะจะคิดอะไรก็คิดเรื่องนั้นถ้ามีสมาธิถ้าบอกว่าให้หอย่างไี้เกิดในใจอสมมตสมมตแล้วใจเป็นสุขงแตงมขึ้นมารับลุงแ ต, ง, ง, ง, แตงในทางที่ทุกมานานแล้วเจนกระทั่งกินเคยชินเจนกรทั่งว่าไอ้ความทุกข์คาคุณมัวเศร้าหมองเป็นเจ้าเรือนไปแล้วตอนนี้ต้องเปลี่ยนใหม่แต่ต้องค่อยๆสร้างแล้วก็ค่อยสร้างให้เจ้าห้อย่างนี้มาเป็นเจ้าเรือนประจําใจซะคือให้มีตาโมดมีปมมีติดปฏิสัทธิสุขสมาุขทํา ต้อ ง, งหาอย่างเดียวตอนที่สุขล้นอยู่ในใจเป็นุสมบัติภายในไม่ต้องหาแล้วแล้วตัวเองมีความสามารถในการสร้างาันขึ้นด้วยต่อไปก็ไปความสุขประเภทที่ห้าสุขเรียบุงแต่งเนี่ยเออบางทีต้องปุงแต่งตอนกต้องหาดีกุลมากตอมา้ยังต้องปุงแต่งก็องทมันใช่ตอนนี้ไม่ต้องทำละให้พ้นปุงแต่งให้มันายเป็นธรรมดาเลยให้ความสุขนั้นเป็นธรรมดาของจิตไม่ดูภายในเป็นเจ้าประจำเป็นกุณสมบัติภายในมีตลอดเวลาอันนี้ต้องถึงด้วยการไม่ต้องปรุชแต่งคือได้ปัญญาปัญญาลุกเข้าใจความจริงของธรรมชาติรู้โลกชีวิตตามเป็น มีความรู้สึกสุขทุกมีความรู้สึกโกรธรู้สึกเห็นใจเอใจรู้สึกรักความรู้สึกเนี่ยเราก็พยายามเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกที่ดีรแต่งใช่ไมเปลี่ยนาความรู้สึกไม่ดีมาเป็นความรู้สึกที่ดีแต่มันก็ยังอยู่ในระดับความรู้สึกความรู้สึกนี่ยังไม่มั่นคงอ่ะมันขึ้นต่อสิ่งอื่นต่อมาพอมีความรู้ไอ้ตัวรู้มาปรับความรู้สึกทุกอย่างลงตัวหมดเลยคนเราที่พอมีความรู้ในความรู้มาปรับลงหมดเลยเราเข้าป่าเราหวาดลนู้นนี้นะเราไม่รู้อะไรเป็นัไหนพอเรารู้ทางนี้ทีไรรู้อะไรเป็นอันไหนเราจะแก เปรียบเหมือนอย่างสารถีที่เจนจบในการขับรถสารถีที่เจนจบในการขับรถเป็นยังไงคนขับรถที่ยังไม่ชานาญนะใจไม่สบายใช่ไมรนร้ร้อนายหวันวัจะขับรถออกไปมันวิ่งเข้าทางความเร็วอย่างนี้จะผิดจะาดหอยังไงวิคนทีนี้พอเป็นสารถีที่ชานาญรู้เจนจบเข้าใจทางออกอะไรหมดแล้วเจนจบจริงๆที่ว่าชนาญขับรถนสบายแต่ก่อนใช้รถม้าก่ขับรถก็ชักรถอะไรใช้อะไรแซ่ใช้บังเหียนดึงรถเข้าสู่ทางปรับความเร็วให้พอดีพอรถพอม้าวิ่งตรงทางดีความเร็วพอดีสารถี สภาพจิตเนี่ยนเยกากบอุเบกขาเกิดจากปัญญาที่รู้ทุกสิ่งอะไรต่อะไรทุกอย่างมลงตัวเข้าที่พอดิบพอดีหมดแล้วจิตลงอุเบกขาสบายจิตแบบสารทีที่เจนจบรถทุกอย่างลงตัวพอดีนี่เรียกจิตอุเบกขาคนที่เข้าใจโลกและชีวิตนเจนจบวางจิตใจลงตัวพอดีทุกสิ่งทุกอย่างใจสบายเป็นมีอุเบกขาเป็นสภาพเจ้าเรือนของจิตใจต้องการจะสรยความสุขอะไรสวยสุขได้เต็มที่คนปุถุชนเนี่ยนะหนึ่งก็มีขีดจากัดในการสรอยความสุขเช่นว่าได้ความสุขท่องเท่าที่หน่งอย่างเดียวสุขจากจ ใจระแวงใจหวัดวันใจคุณมวนเ้าหมองสุความสุขไม่เต็มที่นั้นยังมีข้อด้อยอันนั้นเนี่ยมนุษย์ปุตตชนเนี่ยมีข้อด้อยอันนี้แม้แต่สความสุขแม้แต่ขั้นยาบที่สุดก็ยังมีจุดอดอนมันสุขไม่บริบูรณ์ใจมันขุ่นมันมีอะไรละทายคืงรบลวนอยู่นี่พอจิตของผู้ติเตนจบชีวิตนะถึงือเบกขาขั้นสุดท้ายคราวนี้หนึ่งมีสิทธิสุขความสุขทุกขั้นที่ผ่านมานะโอ้สุขได้ตั้งแต่หนึ่งถึให้าเลยสองในการสุขสุขทุกอย นะคผู้สูรน น, นนี้ที่สวยความสรอะไรก็สวยความสุนั้นดจใจเต็มอิ่มด้วยทกันไม่่ยได้จิตใจุนโมเราขายคืนลบบนวัดบันอะไรกไม่รู้พราะนั้นพอถึงสู้ระดับที่5นี่สมูรา์ในแง่ที่ตัวเองสามารถสวยสรเป็นทุระดับและสก็สวยสูตรแต่ละระดับเต็มอิ่มเลยนี่บริบูรณอย่างนี้เลยก่ออันนี้ก็อยู่ทั้ว่สามารถสวยความสูขเหล่านี้ได้เต็มที่แล้วเนี่ยตัวเองอยากจะสวยไหนไม่สวยก็แล้วแต่แล่ะเนี่ยก็เป็นสิทธิของตัวนี่ผู้ที่พัฒนาวาันนี้ การมา ส, สู่ก็มีพระโสดาบันยังมีครอบครัวมีบุตรพันธุ์ามีสามีอยู่ดั่งน้ำสาขาใช่ไหมเป็นโสดาบันสุขขันที่นึก็ได้สุ่ ข, ขั้นที่2จากการให้ก็พรอพ้อมที่จะให้เต็มที่มีความสุ ข, ขนการให้มีคมพรอพที่จะให้จนในทามใดต้องตั้งวินัยบัญญัติอย่นะตระกูลใดที่เป็นผู้เสียสละบัญญัตโดยไม่ได้มีการยับยั้งเลยเนะี่ยท่านให้สงนมาประชุมกันตั้งเป็นตระูลหรือครอบครัวโสดาบันแล้ห้ามพิสูจไปรับอาหารพิสูจใดไปรับอาหารจากตระกลโสดาบันถูกลงโทษเลย มีความสุขดรัลงแต่งกิจใจได้สบายแล้วมีความสุขปัญญาที่รู้ความจริงของกธรรมชาติแต่ว่าอาจจะไม่เต็มอิ่มสุดท้าย้ายังคร่องแแต่ว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่ว่าได้ความสุขทุกขั้นและสวยสุทุกข้นได้อย่างดีที่สุดใช่นี่แหละพอคนเราพัฒนาความสุขตัวเองก็ดีขึ้นชีวิตก็ยิ่งสุขมากขึ้นช่องทางสุขก็มากขึ้นและความสุขของตัวเองก็เกื้อกูลประสานกับคนมนุษย์รอบล้อมใจเป็นสุขไม่เบียดเบียนเลยความสุขไม่ต้องไปแย่งกันเลยและความสุขก็ต ฐานาสุดจริงหนอสุดจริงหอเนะเป็นอย่างนั้ น, นสุดายสุดท้ายนี้อาตมาพูดมาเป็นตัวอย่างก็ว่ารดัที่ว่าจิตมันลงตัวกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นชีวิตที่เจ็บรบโลกนะทุกอย่างใจลงตัวหมดเป็นอ้เจ้าเรือนงที่วาเป็นทุ้นสงเรียบเย็นสบายเหมือนสารถีที่เจ็บตจัดเจนในการขับรถอย่างที่ว่าแล้วทุกอย่างลงตัวพอดีสบายนะทีนี้มันมาถึงขั้นที่ว่าย้อนกลับไปเมื่อกี้เมื่อกี้อาตมาบอกแล้วว่าความทุกข์นั้นมันมาจากกฎธรรมชาติแล้วมันมาส่งผลต่อ ก็ ต, ตายเป็นว่าเรารู้ทาทัาานมันมันจะถึงขั้นที่ว่าความทุกข์ที่มีอยู่ในกฎธรรมชาติในธรรมชาติก็เป็นทุกข์นธรรมชาติตามเรื่องของมันเรื่องอะไรจะต้องมาเป็นทุกข์ในใจของเราด้วยใช่หมทุกข์ที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติในธรรมชาติใครไปแก้มันได้มันเป็นอนนี้จังทุกข์องหตาสิ่งที่หมายเป็นไปตามเหตุเป็จใจใช่ไหมนั่นมันเป็นธรรมชาติของมันแต่มันเป็นเรื่องอะไรเราปฏิบัติไม่ถูกเราเลยพลยเป็นทุกข์ไปด้วยใช่ไหมเลยทำให้ทุกข์ในธรรมชาติมนเป็นทุกข์ในใจพอเรารู้ความจร มันก <lad> qu ็มีกระแสข้างมันก็กระแสก็คือความเปนไปสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นไปตามกฎธรรมชาติตามเหตุจมันก็เป็นธรรมดาขางมันอยู่แล้วสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุจเป็นกระแสขงมันกระแสเหตุจในธรรมชาติทีนี้มนุษย์อยู่ดีไม่ดีไปสร้างกระแสซ้อนขึ้นมากระแสอะไรพอเราไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายนี้เราก็ไปสร้างความราะนาขึ้นมาใช่ไหมเราไปยึดไปอยากต่อสิ่งนั้นเราก็สร้างความหละนาว่าขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยาเป็นอย่างน้นให้การที่จะให้ส นในใจคนก็มีกระแสความอยากความปรารถนาขึ้นมาเป็นกระแสของคนตอนนี้มีกระแสคนกับกระแสธรรมชาติกระแสคนก็คือกระแสความอยากกระแสธรรมชาติก็คือกระแสความเป็นไปตามเหตุปัจจัยสิ่งเดียวกันนะอยู่ในสงกระแสแลวสิ่งเดียวกันมันอยู่ในสกระแสมันจะเป็นไปในงไหสองกระแสถ้ากระแสนี้มันเกิดกลืนไปมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยไงใจเราต้องการสงกหมดเรื่องนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดถัดล่ะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่ใจเราปรารถนาอีกอย่างหนึ่งเกิดอะไรขึ้นสิ่งเดียวเป็นไปในสกระแสนี้ไม่ได้ต้องเป็นไปตามกระแสเดียวแล้ว ปกธรรมชาติเป e ็นไปตามเหตุป so so so so so so ัจจัยชนะกระแสความนาในใจของเราก็ถูกขัดแย้งขัดแย้งก็เกิดการปะทะกระแทกกันปะทะกระแทกกันก็ติดเรื่องเวยเราก็แพ้หนิกระแสในใจของเราแพ้ใช่เราก็ถูกกดถูกปิดแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือเรื่องของมนุษย์กระแสคนกระแสทํามไ่ปสานมกันขัดแย้งกันปะทะกระแทกกันยุ่งอ้าวทีน้พเราพัฒนาคนที่มาพัฒนาคนคืออะไรพัฒนาปัญญาเยมื่อกี้อยู่ในตัณหาอวิชชาในความไม่รู้เดตัณหาอยากให้จริงกนเป็นอย่างนี้โดยไม่รู้เรื่องทีนี้พัฒนาปัญญาก็พัฒนา กระแสใจคนเท่านี้เปลี่ยนเป็นกระแสความอยากหรือกระแสปัญหามาเป็นกระแสปัญญากระแสปัญญาก็รู้ความจริงตามกฎธรรมชาติสิ่งนั้นเาเป็นไตามเหตุปัจจัยข้านอย่างไรปัญญาก็รู้ตามนั้นใช่อ่าก็รู้สอดคล้องกันแสกระแสในใจคนคือกระแสปัญญาก็เลยสอดคล้องกับกระแสธรรมชาติกระแสเหตุปัจจัยกมกลนอันเดียวตอนนี้หมดเรื่องลยนี่แหละพอคนเราพัฒนาปัญญาขึ้นมากระแสคนกับกระแสธรรมชาติกลายเป็นกระแสเดียวกันกลมกลืนธรรมชาติเหตุปัจจัยเป็นไปยังไรเราก็รู้ตามนั้นเราก็ไม่ค่อยมีความทุกข์เราก็สบายใจเนี่ยใจอัน เราก็อ้าวยังงั้นเราก็ศึกษาเหตุปัจจัยเราต้องการใสิ่งนี้เป็นอย่างไรบอกวจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราศึกษาเหตุปัจจัยเราก็ทำาเหตุปัจจัยเราก็ทำสำเร็จเราต้องการสร้างคุณสำเร็จอะไรก็ทำตามเหตุปัจจัยคุณสำเร็จด้วยเพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่อย่างดีคือใจก็เป็นสุขทุกน้อยเวลามันไม่เป็นตามที่เราต้องการเราก็ศ <then, S 2> ึกษาด้วยปัญญารู้ทันทันอ๋อนี่มเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราสร้างเหตุปัจจัยไม่ครบอันไหนเรื่อเหตุปัจจัยไหนเราไม่ร หรือว่ามันเป็นเหตุสุดวิสายกระจตัวอื่นเข้ามาเราก็รู้เราทุกน้อยเราก็แก้ไขได้ดีเราก็ทางานได้ผลแต่ตรงนี้เรื่องของกระแสขอเป็นแสธรรมก็มากงคืนประสานในการพัฒนามนุษย์ให้เกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาลุกต่ อ, อักรท่อย่างที่บอกเมื่อกี้ความทุกข์ในธรรมชาติก็ปล่อยให้มันอยู่ในธรรมชาติไปใจเราไม่ปอเป็นทุกข์ด้วยก็มีความสุขตลอดเวลาความสุขไม่ก็เป็นสมบัติประจาใจอยู่ในตัวเองตลอดทุกเวลาไม่ต้องหาตอนนี้แหละก็บอกแล้วว่าโอ๊ยสุขก็มีความสามารถสุดเป็นทุกช่องทางอยู่แล้วก็ อ, อยู่ที่ต ทำไมสละเงินทองบางที่อยู่สบายมันอยู่ลาบากอยู่กลางตรงกลางป่าเดินจาดิฟบป่านสังสอนชาชนมองในสายตาของเพระพุทธเจ้านี่แทบลบากมีความทุกข์เยอะก็เลยมาว่าพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยพระองค์ทไมมันอยู่นี่มีความสุขนความสุขใ้เต็มที่นั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ถามย้อนกลับว่าเออแล้วเธอเห็นว่าใครมีความสุขกับฉันเราเนี่ยเราถามจริงๆนะตอนนั้นเป็นชั่งงงเลยนะใช่ไหมตอนแรกมองท่านเดียวมองพระพุทธเจ้าเนี่ยลำบากทุกข์พอถามยังงี้เขาก็คิดเอเอาใครมาเทียบดีว่าสู่กับพระพุทธเจ้าเ เป็ราชาผู้ยิ่งให่มีความสุขกว่าพระองค์นะพระพุทธเจ้าก็ตัดบอกว่าอ้าวเอเราสามารถบอกได้ว่าเรามีความสุขกว่าพระเจ้าผีพิสานเพราะงั้นนะพระพุทธเจ้าตัดว่าอ้าวแล้วกาพิสูจน์ได้ยังไงว่าใครสุขกันล่ะมันยากใช่ไมเนี่ยเอาอะไรเป็น่อพิสูจน์เราพระพุทธเจ้าจะสุขกับพระเจ้าผีพิสาพระพุทธเจ้าก็เลยเอาวิธีนี้ตัดว่าเอางี้ก็แล้วกันพระพุทธเจ้บอกกันตรงๆไม่ได้ดุละต้องเตะจ่าริกไปต้งสั่าสอนประชาชนชนเยพระคก็บอกว่าเอางี้แล้วกันเนี่ยเรานะจะดูเฉยเฉยน แต่ท e ี inhos, in ่พระองค์ไปทราพะก็สุดตลอดเวลาพระองค์ไม่ Maps, ุดอแ้สนอยู่นคนสมบัติในใจแลตลอดทุกเวลาเลนะจะอยู่เทยจะทำราก็สุขใช่นี่จ้พิษานไม่ได้มีความสุขอยู่ในตัวพระองค์นี่ความสุขมันขึ้ตัสินเสียใช่ไหมก็จะมานั่งตัววิสุทยู่ในแล้วก็ไปหาสินเสียไปเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจึงจะสุขตกลงในคนนั้นยอมแพ้แทนว่านี่ตัวอย่างวิธีพิสูจน์แต่พระเจ้าเป็นผู้มีความสุขบริบูรณ์พรอคอนนี้ปฏิาองค์ ก็ลเลยต้องสรง้อยโทษอะไรๆทอร่อกรองดันที่หนึ่งนี่พัฒนาที่มาให้ได้อย่างสมดานันให้ได้ความสุขท่านและสร้ยทุกขั้นอย่างที่เรียกว่าเป็นอิ่นด้วย<น>ไม่มีวัจัคไม่มีสิ่งกรได น, นั้นผู้ที่พัฒนาตัวด่งดีแล้วเนี่ยก็มีความสุขดีิ้นไป้านแท้เป็นความสุขที่เพื่อปูนตอสังคมมนุษย์ด้วยเราสุขชีวิตเราดีก็ยิ่งทาให้ผู้อื่นสุขไปด้วยแล้วด่างพระพุทธเจ้าพอสุขเต็มที่ก็เป็นคนบริบูรณ์เต็มอิ่เพอเป็นคนบริบู เป็นคนที่พัฒนาตนเต็มบริบูรณ์แล้วคนอื่นนี่มันยังต้องหาต้องทำเพื่อตัวเองแม้แต่ว่าะหาความสุขมความสุเพื่อตัวเองนี่พระเจ้าว่าทหารมีความสุขในตัวเต็มบริบูรณ์เป็นประจำเป็นธรรมดาแล้วไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอ น, นี่คือลักษณะของทหารทหา์คือบุคคลที่ วันรุ่งไปดลบ่นแล้วไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตั ว, ตวเองต่อไปเพราะมีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองต่อไปทำนี้ทำยังไงละ่ะพลังชีวิตที่เหลือดูก็ทำเพื่อผูืนเพุ่ธเจ้าพระยานโยเลยออกเดินทางการิไปตัวเอง่อไพาสูตลอดเวลาไม่ต้องเ็รถทุกอะไรนะก็ไปเดินทางไปสั่งสอนหาทางทำให้คนอื่นมีความสุขก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสุขของมนุษย์ของผูชนใช่ น, ะนั้นทัศติของพระานจรึงบอกว่าจาริไปเพื่อประโยชน์เู่้และความสุขแก่ชนจะนุนมากมีผิดทัศนิของพระยานทั้งหลายเพราะ ก็เยรื่องเป็น่ก็ิ่งชีวิตที่ดีงานที่สมบูรณ์ก็ยิ่งเกื่มมูลเพื่อความสุขประชาโลกาแนนั้นนี่คือการพัฒนาความสุที่ถูกต้องนอกจากตัวเองจะสุขไลทูไปแถมช่วยโลกให้ายทุกมีความสุขมากขึ้นด้วยมีแต่ดีเท่านั้นเองแล้วพระจ้าจะว่าจะิจัยอย่งี่ว่าเนี่ยไม่เหลือต้องทํายตัวเองเจ้าพระพุทสัตว์พระพทัตนี้ยังต้องทำด้วยตัวเองใช่ไมยังต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้สมบูรณ์แล้ต้องทาความดีด้วยปณิธานตั้งใจทำนะพระพุทสัตว์เนี่ยน ไม่ต้องมีปริธา the น, น, kind of well <tal> นท่ททานทำประจำธรรมดารมันเป็นธรรมชาติของท่านอย่างนั้นเนเก่งกว่าพระบที่นั่นนี่แหละคือการพัฒนามนุษย์นี่ก็บอก้ว่าคราวนี้จะสวยความสุขไกันแล้วแต่ทอปสี่เขาเป็นพระทหารแล้วไม่เหมือนพระโสดาบันพระโสดาบันยังสวยสุข้าทางท่านเาเป็นพระทหารปรากฏว่าท่านมีสิทธิ์สวยแต่ว่เท่านไม่สวยผ่านสุขขั้นตนเพราะอะไรเพราะจิตใจท่านพัฒนาทุกปีเป็นกระทั่งว่าถ้าท่านที่มีสิทธิ์จะเป็นเรื่องท่านเองใจท่านพอใจอย่างนั้นก็เลยมีข้อเปรียบเทียบเอาต่อมาข้อเปรียบเที ไม่ดีใช่ไมตอนนั้นอเป็นเด็กตนยก็มีความสุขการเล่นของเล่นรถเล็กเรือเล็กระินเล็กอะไรต่างๆเอามาเล่นโอยแล้วก็ติดใจแล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นในของรักของหวงตนีของเล่นเนี่ยนะเด็กมีความสุขจากสิ่งนั้นมากแต่หวงมากนะบางทีแจะเป็นจะตายเลยนะลองไทยไปแย่งสิใช่แย่งของเล่นงเขามาเขาจะมีความทุกข์มากร้องไห้จะตายอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็มีความสุขกับของเล่นตอนมาพอโตขึ้นไประดับหนึ่งพอไปเห็นเด็กนอย่างนั้นไม่รู้สึกว่าจะเป็นสุขหรือ เนี่ยพอเห็นเด็กเล่นก็สนุกเราขำําการพฤติกรรมของเด็กเราไม่ได้สุสนุกด้วยนี่ก็เช่นเดียวกันพอจิตใจพัฒนาไปขั้นหนึ่งเรามองไม่เห็นความสุขจากการสวยสิ่งที่มนุษย์ทั่วถึได้สวยต่อไปนก็จะเป็นการพัฒนาขจิตใจโดยเป็นขั้นและก็เลยมีความเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็ความสุขของมนุษย์ทั่วถึงนั้นแสดว่าคนที่พัฒนาจใสมบูรณ์เนี่ยก็เหมือนคนที่ร่างกายสมบูรณ์คนที่มีสุขภาพสมบูรณ์นั้นเป็นคนมีความสุขกร้อนที่จะสวยความสุขทุกอย่างอย แต่คนที่ตางายสมบูรณ์นี่เขมีความสุขเป็นตัวเองความสุขโดยที่ไม่มีโรคก็ความสุขจกมีโรคต่างกันยังไงก็จะยกตัวอย่างเช่นว่าท่านก็ยกตัวอย่างคนเป็นโรคเรื้อนคนเป็นโรคเรื้อนนี่คันนะอ้นีแกก็หาความสุขนึ่งตาเตาเาไปแล้วก็มีความสุขจากการเตาดิ้นการดิ้นเตาดิ้นเตาดิ้นคันก็มีความสุขปานการเตาและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าชอบผิงไฟร้อนขนาคนธรรมดาผิงไม่ได้ไปย่างตัวฉันใช้คำว่าไปย่างตัวคนเป็นโรคเรื้อนไปย่างตัวกับไฟให้ใกล้ๆร้อนแล้วมันสบายเพราะมันแสนทรมานโรคเนี่ยไฟ คาวนี้การเก่าก็ตามการย่างไฟก็ตามเป็นเครื่องหาความสุขเขาหอกไปไม่ไม่แล้วใช่ไหลุงอาราสมบูรณ์แล้วไปวาสุขในตัวไม่ต้องไปหาความสุขกการเกที่ขันจากการย่างไฟเพราะฉะนั้นความสุขของมนุษย์ุชนนั้นเปรียบเทียบกับความสุขของพระรหันก็เหมือนกับคนที่ยังเป็นโรคกับคนที่มีร่างกายสมบูรณ์สุขภาพกายสมบูรณ์ันตาสุขภาพตายสมบูรณ์ก็ฉนนั่งก็ทารได้พวกมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ความสุขเปลี่ยนความสุขของมนุษย์บุตรชนก็เลยเรียกว่าเป็นความสุขจกการเก่าที่ขันส่วน นีกเป็นเรื่องของพัฒนา ก, การของมนุษย์อย่างที่เราเข้าใจแล้วว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเองไม่ใช่เรื่องอะไรพิจิตพิสดารพระพุทธเจ้ า, จาสอนธรรมะจากความจริงที่ส่วนผสบดับนั้นอันนี้ก็เลยนำมาเล่าให้ฟังว่าพัฒนาที่ไปแล้วมีแต่ดีตัวเองก็มีความสุขมากขึ้น่อทางความสุขกคือเสวิมใความสุขตมบริบูรณ์ยิ่งขึ้นความสุขนั้นก็เกิดขึ้ในสังคมนมนุษย์อยู่ร่วมกันดีขึ้นธรรมชาติเปดน้องก็ปรับตัวเข้ามาสมานรวมตัวสอดคล้องกันดีขึ้นก็เป็นความสุขขั้ ลุมดักบุคคลที่มีความสุขนั้นเป็นลุมดักเดียวกันกับลุมดักคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ทำความดีทั้งหลายลาวุตสาสอนคนให้เป็นช่วยทำความดีให้กาหน้าประสบความสำเร็จเพ้ยงงานเพเป็นต้นสอนจะไปนักหนาแต่คนที่ก้าวหน้าประสบความสาเร็จมีความดีงานความสุดในที่สุดมาตกลุมดักอันใหญ่ลุมนี้คือไรลุมนี้คือความประมาทนะเพราะฉะนั้นท่านองต้องสอนอันนี้กันไว้ก่อนคนที่มีความสุขไม่ว่าระดับไหนเนี่ยตกลุมวาประมาทได้ันทีเพราะอะไรเพราะความสุนี่มันสบายพอคนเราสบายก็มีความร่มเย็นท เรทุดิบดานภัยคุกคามกับลูกนดินหล่นขวาเนี่ยตัวตนเดียดอะไอย่างเงี้ยพอสบายขึ้นมาเรียบร้อยปรนอนใช่หมงทจ้าถึงก็สอนหลักไม่ประมาไปกันว่าคนที่มีความสุขประเทศที่ดอ้าวพอสุขัท่านร้อมวัตถุสังคมตามครอบครัวก็ตามอายธนรมก็ตามมักจะมาเจอุเนี้ยพอท่านพรอมสุขสบายก็รุ่มหลงมเาสังคมอายธรก็เริ่มเสื่อมลงใช่ตระกูลก็เสื่อมยังพ่อแม่ไม่สุรุ่นให้ดีเนี่ยไม่รู้จักก็ติดทอดตัวเองบุมบวมตามใจกลายเป็นคนอ่อนแอรุ่มหล นะพอผูอ้ปิดคลาสไทงอากระดิ้นคุคายก็ตื่นร้อนสร้างสรรค์พอประสบความสำเร็จสะดวกสบายก็นอนใจเพลินเพลินเซว่ความสุขหรืกระเ ส, สื่อวนเวียนอย่างนี้ผมไม่ต้องการให้ตัวงตอนนี้ก็ใส่ความไม่ประมาททั้งหมดเลยพอใส่ความไม่ประมาททั้งมดก็เป็นตัวกันเสื่อมให้เจริญอย่างเดียวไม่ต้องเสื่มนะอม น, นี้ก็เอาแล้วทีนี้คนที่สุขจะเสื่อมสุขอย่างก็ถูกัวามพร้อมสุขใจสบายปลงใจได้ยังคนบางคนที่ปลงนิดจังได้ใช่ไหมพอสบายใจปลงนิดจังได้ทถวนี้ไม่คุณข่ายปัญหาไม่แก่เสร็จจบอีกนะเสื่อมอีก พาะล้มีปัญหายุ่งกุนวายในชีวิตประจวันั้งคามานั่งสมาธิสบายมานั่งสมาธิสบายก็ดสมาธิอีกสมาธิพทเจ้าไอ้ธรรมท่านสอนนะสิ่งทั้งหลายมีทั้งคุณทั้งโทษสมาธิมีคุณอย่างไรสมาธิมีโทษอย่างไรสมาธิท่านบอกโทษอย่างสมาธิเป็นเหตุให้เกิดลสทธะกรือคาทีา่เกียดชนิดนั้นเพราะฉนั้นสมาธิก็สบายเสา ก, ทกนะ็ที่เกียดนะที่เกียดนอนใจผัดเพี้นไอ้เรื่องที่แก้ปัญหาไว้ก่อนวันนี้ขอนั่งสมาธิให้สบายก่อนไม่เอาแล้วนะผัดเพี้ยนก็เลยสมา็จ ทำความดีก้าวหน้ามีความสุขเนี่ยอยาได้กตกใ น, นความประมาทเป็ น, นันแม้แต่พระโสดาบันพระสัจธาทามมีปฏิบัติทำจะบร ร, รลุความสำเร็จจ่บรรลุคุณวิเศษเกิดความภูมิใจขึ้นมาเกิดความภูมิใจก็เกิดสัโดษสิสโดพอใจมีความชื่นใจในผลสำเร็จพระพุทธเจ้าจับแล้วจับจเเทินี่ประมาณทาวิหารีแมันประมาณท้าวิหารเราผู้อยู่ในความประมาทว่าะทบุคคลนะนาพระโสดาบาาันพระธรมีเตทุนนะตกในความประมาทะเจากเกัาเตือนเราจะไปดนดีพอใจกับผลสาเร็จนี้เป่นดต้งต่อไปเพราะฉะ จะมีคาถาตื่นเรื่องเรื่องมาประวัติบอกพิสูจแม้จะเป็นประหุสูตรคงแต่เรียนในรูปธรรมในควางเป็นสมาธิใดชาติได้ผู้มีความสุขจนคำมะอะไรก็ตามตาบใดที่ยังไม่ถึงความสิ้นอาสัวะยาได้ถึงความอมใจวไม่มียอมให้ดุจพระพุทธเจ้าเนี่ยนาตั้งเ้าต่อไปก็เราไม่สนเสิรตแม้แต่ความตั้งอยู่ได้ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ต้องพูดถึงความสืบถอยจากกุศลธรรมเราสรั่นเสิรอย่างเดียวแต่วามก้าวหน้าต่อไปในกุศลธรรมทั้งหลายนี่ตามอย่างนี้แล้วได้เจ้าสอนว่าให้สอน เราไม่ไปยุ่งกับเรื่องการหาสิเสประมุเลยตัวเองเรามีสันโดษในสิเสเราก็ไปดักออเวลารงงานและทิไวใช่ไหเสร็จแล้วท่านก็ให้ไปทุ่มกการไม่สันโดษในกุศลธรรมเราก็มีเวลารงงานและพิเอาไปทำความดีสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ได้มาดันั้นท่านก็ฝากไปคู่กันว่าสันโดษในสินเสพแต่ให้ไม่สัโดษในกุศลธรรมมันจะรับเป็นกลบป้ไก็ไม่ประมาทเลยใช่ไหมแล้วพอมันก็เดินหน้าไปแล้วสร้างสรรค์ศาสนาความศุลก็เลยข้าหลักที่พูดไปตอนต้นแต่ตกลงมาตอนน บอกว่ามีแต่พุทิเยวปว่าปาดีจัง โ, โนบริหารนี้แปลว่าพึงหวังได้แต่ความเจริญ อ, อย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยพระเจ้าตรัสอย่างนี้เลยถ้าคนเราปฏิบัติ ท, ทำไม่ต่อมาฉะนั้นอาอ น, นิจจมาให้เป็นประโยชน์เป็นปรวดเสือม่ไปคิดว่าสิ่งร้ายเกิดขึ้นแล้วจแล้วต้องเสื่อมเป็นธรรมดาระวังนะงมดีนี่ผิดหลักทำไมต่อมาอนนั้นอานิจจัานตาเป็นกฎธรรมชาติแต่มันเปลีป่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางจเจริญก็ได้เสืมได้เจริญหรือเสื่อมเป็นเรื่องของมนุษย์ตกลงเอาใช่ไหมมนุา สางดีในความประมาทมีจะเจริญไม่มีเสือ่อมและไม่ขาดจเจริญสอหลักนนะนั่นเราต้องสร้างความเจริญได้ด้วยความเป็นปมาทจะลงว่าก็เท่าวิธีปฏิบัติตามหลักที่ว่าไว้ขั้นต้น4ี่ข้อสรุปปิดท้ายสักที น, นก็คือว่าอย่าเอาทุกทับผมตนที่ไม่มีทุกใไมล่ะสองไ่ละทิ้งความสุขที่ชอบทำสามแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่รุ่มหลงหมกมุ่นหมวเมาสพยายามเข้าถึงความสุขที่ประณีตถึนไปและต่อท้ายก็ได้จนกว่าจะถึงสุขสมบูรณ์ที่ว่าเมื่อกี้ที่ว่าเป ตดบลยอตกลงก็ไม <le o, S 2> e sure no, ่ร so, um, so, uh, ู up, today, ots, <not> well. so, uh, ้พ <zum gives> ูดยาวาเลยนะเกินาไปเยอะแลเรต้องเอาแล้วเขอนไม่ับถ้ามีเวลาคุยกันอีกหรือเปล่าถ้าไม่มีเวลาคุยก็ต้องปิดรายการเรอรใครมีคถามอะไรอ๋อเรนน์น์ล่ะเรือบอลเรืบอเรบอเรบอเรบออันนี้ตมาก็พูดยตอนนี้ตมาไปพูดที่ไหนก็ถ้ามีโอกาสก็เอาเรื่องนี้คือว่าขั้นที่หนึ่งก็คือว่า ให้แม่คิดว่าอย่ามองเร่องี้เป็นเรื่องร้ายให้มองเป็ข่าวดีคราวดีอยู่ที่เราใช้เป็นใช่ไหมถือว่าเราให้มันร้ายอยู่แล้วแต่ว่าทำไงเราจะเอามาใใหด้ดีได้ก็ถือว่าอย่างน้อยมันเป็นสัญญาณเตือนภัยใช่ไมันเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ลึกลงไปว่าโอ้ไอ้เบื้องหลังภาพที่ตากดเป็นเหตุการณ์มันมีอะไรมักหมมมั น, ม น, มนยแย น, นานเท่าไหร่แล้วก็เราเดินทางกันอยู่ในวิถีปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเดินผิดพาดใช่ไมเราไม่รู้ตัวถ้ามนีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเราก็ควเตือนต่อไปใช่ไหมเตือนต่อไป เดินทางผิดเตายังไม่ทันถึงลงหล่อรู้ตัวเสก่อนพอนดีไปกระทบกระแทกโขดหินขึ้นมาบาเจ็บไปบ้างเอา้าก็ยังดีดีกว่าตายลุกขึ้นมาหยบาดเจกตายเข้าังซะแก้ไขซะนะ่าตั้งหลักตังต้งตัวให้ได้แล้วจะได้แก้ไขปัญหาดังนั้นอันนี้เป็นสัญญาณภายัยใช้ให้เป็นก็รีบลุกขึ้นมาแก้ไขซะแล้วจะได้ประโยชน์แต่แตแตแตแตถ้าหากว่าเกิดมีขนาสัญญาเตือนภัยแรงอย่างนี้เราเดินรับจอย ก, ก็ชวไม่ได้นะแต่นี้มันน่ากลัวก็คือว่าสัญญาภัยเกิดขนานี้แล้วยิ่งรับกันดีกว่าไม่เคย เหตุปัจจัยอะไรที่หมักผมมาจนท่านเกิดเป็นในแผ่ผู้พองอย่างนี้ไอ้ในแผ่ผู้พองเนี่ยเดี๋ยวเกิดผู้ที่นั่นเกิดผู้ที่นี่เหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังนั้นมันต้องสร้างกันมาเป็นปห้นาสิบปีร้อยปีเหตุปัจจัยอันนี้ต้องไปค้ น, คนหาแล้แก้ที่ตัวนี้ระยะยาวถ้าไม่ไปแก้อันนี้เหตุปัจจัยยังอยู่แก้เฉพาะกรณีเสร็จไปกรณีอื่นก็เกิดอีกใช่ไหมเรื่องนี้จะมาพูดมันต้องแต่กรณีรก่อนๆพูดมนเรื่อยพรากว่ายาตกใจต่อไปต ต, ต้องเกิดเรื่องร้ายกว่านี้ก่อนนั่นคณะ เราไปสนใจเรื่องเฉพาะกรณีเลยเนี่ยใช่ไหแคนที่จะไปหาเรื่องราวที่มาเจอเป็นเรื่องจริงจังที่เป็นเหตุใจที่จะเป็นตัวแก้ปัญหาเนี่ยแม้แต่ความไม่ที่ดูรายการต่างเายจารเรื่องนี้มันก็ไปอยู่ที่เฉพาะตัวกรณีสมัครวาแทนที่จะไปสืบสาวหาเรื่องราวที่ลึกซึ้งที่เป็นเหตุผลใจที่มันมาผมมาเนี่ยแต่ต้องแก้ไขไม่ค่อยจะเอาเรื่องเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นอุปกรณ์แต่ว่าต้องแก้ผู้ใช้อุปกรณ์ด้วยนีแต่อุปกรณ์ก็สำคัญนะถ้าไม่แก้แล้วก็อุปกรณ์ไม่ดีถึงมีคนที่มีค ที่จะช่วยให้ดำเนินการอะไรจะได้ผลแต่ว่าตอนนี้ก็ เ, เรื่อยแหละว่าพราบคณะสงฆ์ของเราอาจจะเดินทางผิดสำหรับในความเห็นส่วนตัวรจะมาว่าเดินทางผิดตลอดเรื่อยเพราะแต่มันไม่เหมือนกันเรื่อยๆเรื่อยคือเหตุมันเกิดแต่ว่าในสมัยหนึ่งเนี่ย เ, เกิดปับบบป๊บเรื่อนปั๊บเุเกิดปั๊ บ, บแต่ตอนนี้เหตุจด ป, ปั๊บไม่เรื่อนับใช่มมันไม่เหมือนเลมันไม่เหมือนตรงจุดนี้ไม่ใช่ว่ า, าดีไม่มีเหตุอย่างนี้ใช่มันกลายนตรงข้ามเพราะนั้นไม่เหมือนนะไม่เหมือนเลยผมว่าต้องรู้จักใช้ประโยชน์แต่ตัวนี้ตอนที่ เขาได้จำใหญ่คณะสงฆ์เดินทางผิตก็เพราะว่ามันไม่เป็นไปตามหลักการของพุทธศาสนาเราไปดูหลักการพุทธศาสนาเราจะเห็นชัดเราถือว่าพรบคณะสงฆ์นี่เป็นเรื่องการปกครองใช่ไหมเอาละการปกครองพระพุทธเจ้าก็มีการปกครองคือวินัยใช่ไหมมีคณะสงฆ์แลพระองค์ก็ตั้งบทบัญญัติในการปกครองขึ้นมาแต่เราไปดูว่ากฎหมายวินัยการปกครองที่พระพุทธเจ้าตั้งไว้นั้นมันสอดประสานกับระบบของพุทธศาสนาอย่างไรระบบของพุทธศาสนาโยงมายงไรกับเรื่องวินัยเรื่องกฎหมายเราจะเห็นชัดเลยพระพุทธเจ้าหนึ่งตั้งแต่ตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาเพื่ออะไรตง ที่คนที่ต้องการสุบผลพัฒนาตนอย่างจริงจังจะได้มาอ่านสายสภาพแวดล้อมนี่ได้ผลดีได้สืบผลพัฒนาตนสืกษาได้ผลใช่ไหมแล้วคณะสงฆ์ที่ตั้งไวอย่างดีนี้จะได้เป็นแหล่งการศึกษารกัประชาชนอีกชัดมากอันเนี้ยเพราะว่าระบบชีวิตของพุทธศาสนาโดยเพา ะ, พะคือกาสิทธิฐานใช่ไกาสิทธาอชีวิตของพระพระบทเข้ามาก็เริ่มน่าสีธรมารีิบัรดาตอไปนี้ก็พัฒนาศีลพัฒนาปัญญาจากคณะสงฆ์ขึ้นมาวินัยทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อจัดสภาพแวดล้อมและปกครองเป็นอยู่ในชุมชนคืสอสงฆ์นี้ให้เอือากกา้อต่ อ, งอง ดูได้ลงไปก็ถือว่าผู้ที่ปกครองในคณะสงฆ์นั้นคือไทยคืออุปชาใช่ไหมอุปชานี่เรามองก็เป็นผู้ปกครองแต่อุปชาเพื่ออะไรอุปชามีตั้งแต่เป็นตัวประกรันในการบวชของพิสูจ์เป็นตัวประกรันว่าพิสูจคนนี้มาบวช้าไปแล้วจะมีผู้คอยดูแลให้ได้รับการศึกษาใช่ไหมอ่าอุปชามีท่าที่ดูแลปกครองเพื่ออะไรเพื่อเป็นหลักให้มั่นใจเป็นหลักประกรันว่าพิสษุที่บวชถ้ามาใหม่จะได้รับการศึกษาพราะหน้าที่ของอุปชาดูแลเพื่อให้เขาได้รับการศึกษาการปกครองนั้นไม่ได้ใช่จุดหมายเขาหมดเองการปกครองมีขึึ้นเเพื่่อกกาาารศษ เป็นการจัดสภาพแวดล้อมระบบพาเป็นอยู่เพื่อเอื้อกูลาต่อการฝึกฝนพัฒนาคนคือการศึกษาปัจจุบันนี้เรามีการปกครองเพื่อปกครองใช่ไหมไม่โยไปหาหลักการพุทธศาสนาเพื่อให้มันจะเป็นตัวช่วยเอื้อให้เกิดการศึกษาอะไรไม่มองเลยทอนเน้นนานๆไปการปกครองเพื่อปกครองเน้นอำนาจอย่างนี้ใช่ไหมการปกครองใ น, นที่สุดต้องมองนี่อำนาจใช้อำนาจเน้นไปที่จัดการในคนทาผิดจะต้องลงโทษคณะสงฆ์ยัหลังนเน้นเรื่องนี้หมดเลยกฎิธรรมพยายามสร้างกฎิกรรมใหญ่ยยโตที่าปฏิบัติไม่ได้ก็เลยเน้นเรื่องการใช้อำนาจเรื่องของการที่ตัดอะไรต่างๆแทนที่ หรือให้มีคนทำผิดน้อยที่สุดใช่ไหมไปเน้นแต่ทำไงจะจัดตายนคนทำผิดการปกครองหมดความสัมพันธ์กับระบบธรรมะหมดความสัมพันธ์กับระบบของหลักศิษขาตาศิษยาไม่เข้าเนื้อเข้าตัวระบบพุทธศาสนาเลยถ้าอย่างนี้แล้วไปไม่รอดหรอกงนั้นจะต้องจัดอยู่นี้ได้คือพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเป็นระบบการพัฒนามนุษย์ตั้งคณะสงฆ์เพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษาแล้วก็จะได้ขยายการศึขขกษาไปมนุษย์จะได้พึงพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นังนั้นการจัดตั้งระบบแบบแผนวินัยกฎหมายก็เพ ขอแสดงความเค้นเร่อยเรื่อยอดมาไม่ว่าในถ้ำลมไหนและที่มีการปกครองโดยระบบอะไรก็ตรื่อยกใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือของการปกครองของายอะไรกเหมือรือยคือคิดว่าโดยอาศัยศรัทธาหรือความเชื่อจะเป็นศรัทธาแค้นความเชื่อของผู้คกระสารื่ว่าถ้าอาศัยให้คนเชื่อศาสนาแล้วเรืองเลยหน่ มันก <Billie S 1> so ็เป็นอย่างนั้นตลอดมาตั้งแต่ยุคตะวันแดงแต่ผมก็คิดว่าเป็นระเงานิยม่านกอว่าไม่มีความเคารพศาสนาที่มีความประสงค์อย่างที่พระคุณจากลเลยหรือเปนหรือพอไม่เข้าสู่หลักการเลยหลักการของศาสนานี่ไม่เข้าเลย้เาสนาไปช้ในทางที่ไม่หรอแล้วถ้าจะทำยังไงก็ต้องให้คนในผู้มีอำนาจวัฒนธรรมกองบนเนี่ยรู้จักหลักการที่ถูกต้องเลยพรกาคิดแบบนั้นใช่แล้วถ้าจะดูปัศาสนาก้นนันที่ความเชื่อทั้งหลายในสายกัว่าถ้า่องนี้ว ก็จะได้ดูในความดูแลปกครองง่ายเลยเรื่อยเรื่อยเร่อยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าก็จะิ่ชอบใจถ้าจะมีความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของว่าถงใช่เพราะว่าความเชื่อแบบนี้มันทาให้มันอยู่ในแนวทางที่เกี่ยวกับปกครองนั้นได้ง่ายข้เลยพอใจส่งเสริมทางานที่สิ่งเหล่านี้มันขดหลักการพุทธศาสนาตอนนี้สมาชูกก็ต้องเน้นเรื่องนี้ว่าขาให้ดูสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยให้สารวจแลตอบว่าเวลานี้สังคมไทยนับถือพุทธศาสนาเป็นหลักหรือนับถือศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาเป็นหลัก ถ้ายังนับถือพุทธศาสนาเป็นหลักไม่เป็นไรเราไม่ได้ตัวหรอกการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร์อะไรต่างๆเทพเจ้าจะมีอยู่บ้างเป็นส่วนประกอบปิดด้อยแฝงอยู่กลัวแต่ถ้ามั่อไรมาตรงท่ามนับถือศาสนาไสยศ า, าสตร์เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิสทธิ์มาเป็นหลักพุทธศาสนาเป็นตัวประกอบเม่ไร ห, หมดเนี่ยเวลานี้น่าสงสัยนะว่าอะไรเป็นหลักกันแน่ในสังคมไทยอ่าข้อนึ่งเดี๋ยวในนี้ก็ผมคิดว่าพุทธบริษัทซอยารวะได้ lasting การที่ศึกษาปฏิบัติศาสนาไให้ว่เี่ปะ แล้วก็มักความหวังให้มากไปคือกลายเป็นว่าไม่รู้จักตัวเองกลายเป็นจะไปขอซึ่งนี่เมื่อไฟสงศ์ไฟเม็นอย่า็นั้นที่จริงก็เป็นมาตลอดจีิเหมือนกันว่าเป็นมาตลอดอย่างนี้่าก็เกิดความที่เราก็ต้องเห็ว่าไฟสงเองเนี่ยก็ที่เป็นบุคคลเราเป็นส่วนสมรักมาแล้วอยู่ในความสมรักสมมาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยการระบบการหลกลวงอเกิดขึ้น แต่ต้องวนอ่เลต้องมาวันนี้มาแสดงความติดวามต่างๆนะครับไม่เห็นว่าที่จีนแท้จริงแล้วเนี่ยฝ่ายชาัเคนคูนจะได้ขึกนตัวเองเป็นตามศึกษาปฏิบัติให้รู้สักสนาธมากเลยเรื่องน้จะได้ช่วยกันเพื่อปกันไม่ไม่ให้มาตอนนี้ก่อนกลายเป็นว่าเมื่อติดฝังเข้มกำลังท่านที่ว่าจะเลิกนับถือกันไปทั้งหมดเลยเรื่องนับถือไม่ใช่แต่เรื่องนับถือกรณีเฉพาะร่งนับถือศาสนาอะไรนี่กขเป็นต้องถือเปนความติดงปากาัดไม่น้อยกว่าขึ้นไม่ไน้อยกว่าขึ้นส่วนนะต้องต้องถื กแล้วแต่ปชาที่แก้นี้ก็้บอกว่าไ้แก่ตงไอ้แก่ติดไม้ต้เินเดือน้งอย่างก็ต้องมาแก้ตัวเองแบทำต่างเป็นงอนหลงเรียนศิลปะอาชีพกันจต่งศินมะทุ่มเทไมวาคุณจะใชเท่าไร่ที่ท่านวันนีใแบบรามิบาิบแีเงินนไม่เป็นมาเลตามคสั่งของที่จแล้วว่าตัวเองวกผมคิดว่าจริงๆว่ามนเปนี่เป็นพวกผู้ห ไม่เป็นไรก็ดีก็เท่ากับเมืพูดไปแบนี้สังคมไทยดูปลกๆว่าจะเป็นสังคมที่นับถือศาสนาผีศักดา์สิท์เป็นหลักพุทธศาสนาเป็นตัวประกอบนลักษณะนี้จะดูได้ไม่ยากหรอกนนนแล้วก็ที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ตามามองว่าเป็นเพราะชาวพุทธนี่หลหนุนขึ้นมานะถ้าพุทธเป็นผู้หนุนให้เกิดเหตุการณ์นี้เพราะว่าพวกนี้จะเลยขึ้นมาได้เพราะแาวพุทธเป็นหนุน พท่าลาขึ้นมาแทนที่จะติดเตียนตัวเองกลับไปติดเตียนคนอื่นทิชาพุทเป็นผู้เป็นนุนให้เกิดสภาพไรอย่างนี้แล้วตัวเองแทนที่จะได้พิจารณาตัวเองแล้วรู้ว่าเกิดจกตัวเราตงแกตัวเรากลับไปโทษสิ่องอื่นจะไปนับถือศาสนาอะไรนแะแทานที่ตัวทสิ่งที่นอกาศาสนาขึ้นมาแล้วมักไปมองที่มองอ่ะไม่ใช่ทีมองที่อาจารย์รรังวิทยุบอกว่าอ่าเยที่แล้วแล้วก็เลยเปลี่ยนไปนีที่ว่ามีไปได้รับสิทธาระขึ้นมาแล้วก็เลยหันไปทางทาความผิดที่จริงไม่ใช่หรอกเจตนาหาลาบ มันก็มีกำลังที่จะทำสิ่งนั้นได้เต็มที่ไม่ใช่ว่าตัวเองดีมาแล้วมาเกิดราบสุายแล้วแล้วก็เลยเพี้ยนม่นจะอย่างนั้นเพราะเจตนาม า, าตั้งแต่ต้นอันนี้เระปจุดสคัญถ้ า, ท า, าพทธศาสนนี้กระ น, นอยู่ในหลักพฤติกรรมแบบนี้เกิดแา่ตน้นไม่หนุนเลยโตไม่ได้มันโตไม่ได้ตั้งแต่ตน้นแหเพราะฉะนั้นทำไมเดิมโตไม่ได้ก็เพราะว่าชาวพุทธรู้ันพฤติกรรมมันออกมาตั้งแต่ต้นแล้วแล้วทาอะไรปรั๊บหลับพราะศาสนาไปอยู่อัญญาหิราภูปนิสาอัญญาณิพานะครามรีทางหาลาบไปทางหนึ่งทางไปพุทธง พฤตกรรมสอนแสดงกันต้นเลยทลองดูเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แก้ชาวพุทธตอนนี้เราบบาเป็นปัญหามากระบบความสัมพันธ์ก็อาจจะมา พ, พูดตั้งแต่คราวเรื่องตรัญยันตะระบบความสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธกับพระสงฆ์มันปินไปจากระบบศรัทธาจากระบบบุญกุศลมาเป็นระบบผลประโยชน์แต่ก่อนนี้ชาวบ้านไปหาวัดไปหาพระสงฆ์นั้นมุ่งบุญกุศลมุ่งความดีความงามทบุญได้เสียสละกำจัดลัทยะบริจาคทานพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นอ้าวก็ เห็นพระก็จะได้สอนธรรมแต่างก็มองปนอย่างดูว่าท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบศรัทธาเคารพารู้ธรรมวินัยไปด้วยท่านประพฤติไม่ถูกต้องตามธรรมวินัยไม่ศรัทธาไม่เคารพนบรณฑุพระอยู่ไม่ได้ชาบ้านคุมพระเพระมีความรู้ธรรมวินัยตั้งตัวให้ศรัทธาพรว่าเคารพต้องชื่อฟังเป็นคอาจารย์พก็คุมชาวบ้านเดิมระบศรัทธาใี่พระคุมชาวบ้านชาวบ้านคุมพระอยู่กันมาตลอดพอมาปฏิบัติเป็นระบบผลประโยชน์ชาวบ้านไปหาพระอยากได้โชคลาะอยากได้วัตถุมงคลเอาเงินไปใ้ พระที่ต้องการผลประโยชน์เห็นช่องทางนี้ได้ราบรื่ไม่ต้องเรียนรู้ทางใดไมได้ไม่ต้รู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรทำวัตถุมงคลเป็นก็ใได้ก็เท่ามาปราเก่ดสนองความต้องการระบบผลประโยชน์ก็มาท่านี้เอาแลอนนี้พระกไมคุมชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่คุมพระใช่ไมม่วนอ้าวไม่มคุมไปในทางศีลธรรมแล้วนอกจากนั้นชาวบ้านมุ่งประโยชน์ส่วนตัวตัวได้วัตถุมงคลพอแล้วไม่สนใจว่าพระจะรู้ทำวินียไหพระองค์ไหนที่รู้ทำวินยไม่มาสนองความต้องการวัตถุมงคลบบผลประโยชน์ชาวบ้านไม่สนใจพระที่ตั้งใจไปปฏิบัติก็เลยถูกท้อทิ้ง